วันบ่ายวันที่พระสาริบุตรบรุอรหัตผลนั่นเองพระศาสดารับสั่งให้ประชุมสงฆ์ณเวรุวันมหาวิหารทรงประทานตําแหน่งอัคราสาวกแก่ท่านทั้งสองคือให้พระสาริบุตรเป็นพระอัคราสาวกฝ่ายขวาพระโมคขลานะเป็นอัคราสาวกฝ่ายซ้ายแล้วทรงแสดงพระโอวาทปฏิโมคคือพระโอวาทอันเป็นหลักสําคัญมีในดังนี้หนึ่ง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 เรื่องทำนองนี้มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เนืองออำนาจอาจทำให้คนที่เคยดีเสียไปได้ไม่ต้องกล่าวถึงคนที่ชั่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนใหร้ระวังต้องมีตีติดขาขันติดดังกล่าวมาความงามของสตรีเป็นสิ่งยั่วยวนใจสำหรับบุรุษอย่างยิ่งประการหนึ่งบุรุษผู้ไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความงามของสตรีจึงเป็นบุรุษอาชาในหาได้ยาก คนเช่นนั้นแม้เทวดาก็ชมพรหมก็สรรเสริญความงามของสตรีได้เคยฆ่าบรุษผู้ทรงศักดิ์มามากต่อมากแล้วดูก่อนท่านผู้สแสวงสัจจะความอดทนนั้นเป็นอาภรณ์ของนักพรตเป็นตบะของผู้ต้องการบำเพ็ญตะบะแม้นักพรตผู้เริงแรงด้วยตบะมีชื่อกระชอนก็เคยพ่ายแพ้ต่อความงามและความยั่ว ย, ยวนของสตรีมามากนักแล้วเช่นกัน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 กับอีกรูปใดรูปหนึ่งในกลุ่มปัญจวัคคีเพราะท่านเหล่านั้นบวชก่อนและได้บรรลุธรรมก่อนถ้าไม่ประธานแก่ภิกษุปัญจวัคคีก็ควรประธานแก่ภิกษุกลุ่มห้าิบห้ารูปมีพระยาศะเป็นประมุขหรือมิฉนั้นก็แก่ภิกษุกลุ่มพัทรวคคีผู้สําเร็จมรรคผลณไร่ฝ่ายถ้าไม่ประธานแก่พวกพัทรวคคีก็ควรประธานแก่ภิกษุปุรานชดินสามพี่น้อง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 แล้วถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าวิปัสสินั้นเป็นประมุขแล้วตั้งความปรารถนาขอบรรลุธรรมก่อนผู้อื่นในอนาคตการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดเมื่อถึงหน้าเข้าเม่าได้ถวายทานอันเลิศ ด, ด้วยเข้าเมาหน้าเก็บเกี่ยวก็ได้ถวายทานในฤดูเก็บเกี่ยว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 พระนามว่าปทุมุตตระเขาถวายมหาทานเจ็ดวันแล้วหมอบลงแท่พระยุคลบาทของพระาศาสดาพระองค์นั้นแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อบรุรทำอันเลิศก่อนผู้อื่นภิกษุทั้งหลายอัญญากนธัญะได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วณบัดนี้พระราาพระตถาคตเจ้าทรงยืนยันอย่างมั่นคงอยู่เสมอว่า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 มีค่ายิ่งกว่าสมบัติบรมมัจคแห่งกษัตตราธิราชหรือมหาจากักรพรรดิผู้เล่าร้อนอยู่ด้วยความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดมิฉนั้นแล้วชไนเล่าพระบรมครูของพวกเราจึงทรงสละสมบัติบรมมัจจเพื่อสแสวงหาความสงบเย็นให้แกดวงกิจเมื่อพระองค์ประสบความสำเร็จในทางนี้แล้วก็กลายเป็นที่พึ่งที่บูชาของโลกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้